วิธีชักเข้าหาอาบัตเดิมและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงชักเข้าหาอาบัตเดิมอย่างนี้คือภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสง์ห่มอุตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรนสาทั้งหลายนั่งประโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกระผมนั้นขอปริวาดห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกับสงสงได้ให้ปริวาดห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อ สันเจตนิกาสุกา ว, วิสัตถิปิดไว้ห้าวันแก่กระผมกระผมนั้นกําลังอยู่ปริวาสต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกา ว, วิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นจึงขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกา ว, วิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสง์ สงชักกระผมนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นอยู่ปริวาสแล้วเป็นผู้ควรแก่มานัตต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กระผมนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัว ชื่อสันเจตนิกาสุกะวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงพึงขอแม้ครั้งที่สองละพึงขอแม้ครั้งที่สามละภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุถกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ภิกษุอุทาจีนี้ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้ห้าวันภิกษุอุทาจีนั้นขอปริว่าห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตะนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้ห้าวันกับสงสงได้ให้ปริว่าห้าวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ สัญเจตนิกาสุกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันแก่ภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นกำลังอยู่ปริวตัติต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิในระหวา่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ สัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์สงฆ์ชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นอยู่ปริวาสแล้วเป็นผู้ควรแก่มานัดต้องอาบัติหนึ่งตัวในระหว่างชื่อ สัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่สัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงชักภิกษุอุทายีเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้นี่เป็นยัติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิปิดไว้ห้าวันภิกษุอุทายีนั้นขอปริว่าดห้าวันเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อ สันเจตนิกาสุกวิสัตติปิดไว้ห้าวันกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาทหวันเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตติปิดไว้ห้าวันแก่ภิกษุอุทายีแล้วภิกษุอุทายีนั้นกําลังอยู่ปริวาทต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกวิสัตติในระหว่างไม่ได้ปิดไว้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 เป็นผู้ควรแก่มานัดต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้ภิกษุธาียีนั้นขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตานิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้กับสงสงชักภิกษุธาียีเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อ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 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละแม้ครั้งที่สข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละภิกษุอุทายีสงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเดิมแล้วเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิในระหว่างไม่ได้ปิดไว้สงฆเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติ อย่างนี้